ถ้าไมจะเป็นไปไม่ได้วันนี้มาเดินนึกๆหนึ่นะโอเนี่ยนะประตูนรกนะเขามีกี่กี่ร้อยคุมเนี่ยห้าร้อยกับคุมเนี่ยประตูแต่ละประตูเราไม่ได้ปิดสักประตูเลยนะเปรตมีสิบสองประเภทเออประตูเปรดเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ปิดเลยถามวาน่ากรุณาไหยโอ้เราหน้ากรุณามากๆเลยนะประตูนรกกี่ประตูก็ยังปิดไม่ได้ประตูเปรดกี่ประตูก็ยังปิดไม่ได้ประตูเดรัชานทั้งหลายเลย เดรชานก็แบ่งเป็นกลุ่มสัตว์น้ำกลุ่มสัตว์บกแล้วก็กลุ่มสัตว์บินได้ก็แบ่งอย่างเงี้ยนะสัตว์มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์มากเท้าก็ตามสิ่งเหล่านั้นเรายังปิดอะไรไม่ได้เลยนะรู้ได้ยังไงว่าปิดไม่ได้ก็สังเกตดูจากการโคจรของจิตดูสิอะไรบ้างที่เราปฏิสนธิที่นั้นๆไม่ได้บ้างเพราะไม่มีอริยมรรคเป็นเครื่องห้ามการนําเกิดเลย กนะ็สังเกตดูว่าแนวโน้มของจิตที่เราจะนึกเนี่ยเรานึกอะไรก็ประกาศได้เลยว่าพบหมายควรจะเป็นอะไรกนะ็ถ้ากรร ม, มสักตาพื้นฐานเราดีอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่ากรรมที่นำเกิดมันไม่ใช่เจตนาแค่ตอนนี้เดี๋ยนะมันไม่ใช่เจตนาตอนนี้นำเกิดก่อนจะตายเจตนาตัวนั้นไม่ใช่เป็นตัวนำเกิดโดยกรร ม, มปัจจยัยแต่กรรมในอดีต ทั้นะทงที่เป็นครุกรรมอาจินกรรมอาสานกรรมเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวนาเกิดบางทีก็ไปดึงเอาโน้น่นอัปราประเจตนาเมื่อแสนกลับทีแล้วมาให้ผลนำเกิดเพราะฉะนั้นไอตัวความคิดที่มันล่องลอยเนี่ยนะมันเป็นประตูที่จะให้ไปที่ใดก็ได้นะแล้วทีนี้ถามว่าถ้าไปอบายเนี่ยนะถ้าเป็นนางสุชาดาค่อ ย, ยังชั่วใช่เกิดเป็นนกนกอะไรนะนกกระยาง เท้าสักกะก็ยังไปช่วยมาอีกว่างั้นเอางั้นเธอรักษาศีลนะเท้าสก่ะก็ยังตามไปโปรดถึงนั่นใช่ไหมแต่ถ้าไปเกิดเป็นหนอนในขี้วัวแล้วกระลึบไปใครจะไปโปรดกันดิเหรือถ้าไปเกิดณที่หลายๆแห่งถ้าไปเกิดเป็นปลาเนี่ยนะถามว่าใครจะไปโปรดพรานเบ็ดเนีลยจะไปเอามาต้มอย่างเงี้ยนะลําบากเลยงั้นถ้าถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลวิตตกจริงๆนะ ชีวิตของสัตว์เนี่ยน่ากรุณามากๆเลยนะโดยเฉพาะสัตว์นั้นนั้นก็สัตว์นั้แปลว่าผู้รักอะไรผู้ข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรานี่เป็นผู้ที่น่ากรุณามากๆเลยนะถ้าหากว่าเราเจริญอริยมรรคไม่ได้คือลองมาหัดเจริญกรุณาให้ตัวเองรู้นะก็เจริญนะก็ได้กรุณาจริงๆเออมันน่ากรุณาขนาดนั้นเลย เนึกเลยนะเรานึกเออประตูนรกเนี่ยห้าร้อยกว่าขมเนี่ยเราไม่ได้ปิดแม้แต่ประตูเดียวพรามโสดาปฏิมักเป็นเครื่องปิดประตูนี่ยประตูเปรตเปรตนี่มีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ใญอยู่12ประเภทเราก็ยังไม่ได้ปิดแม้แต่ประตูเดียวเดราชาห์ทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์น้ำเนี่ยอย่างโลกเนี่ยโลกเนี่ยถ้าเทียบโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเป็นบกแค่30เปซ็นเป็นน้า เจสเนี่ยนะแล้วสัตว์น้ำเนี่ยมีเท่าไหรท่านบอกว่าสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกอยู่แล้วนะแล้วสัตว์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะมันคลาคล่ำเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่พื้นที่โดยตารางเม็ดเท่ากันนะในน้ํากับบนบกเนี่ยน้ำสัตว์มากกว่าสมมุติว่าในในตารางเม็ดด้วยกันเนี่ยนะพื้นที่สระน้ําที่หนึ่งะนะเอาโดยลูกบาศเม็ดเนี่ยคำนวณโดยลูกบาศเม็ดเนี่ยระหว่างน้ํากับบกเนี่ยจะเห็นว่าสัตว์น้ํามากกว่า สัตว์น้ำเต็มไปหมดเลยก็พร้อมที่จะไปเกิดณที่ น, น, นั้นได้หมดอยู่แล้วเคยฝันมาเล่นน้ำมั้งไหมหนาวฝันมาอาบน้ำม่้งไหมถ้าจุติตอนนั้นนะควรจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ <c oughs> จุติแถวนั้นก็เปอร์เซ็นต์สัตว์น้ำสูงละก็นึกพวกมูเดราชาแนละสัตว์น้ำมันก็บิจิตพิสดารมากมายแล้วถ้าเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์บกก็สัตว์ใต้ดินกับสัตว์ บนดินอีกครั้งนะสัตว์ใต้ดินนี่มากกว่าบนดินนะที่มุดอยู่ในดินจริงๆเนี่ยเยอะกว่าบนดินและที่โผล่มาบนดินตัวเล็กมากกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่มีไม่ค่อยมากอย่างช้างนี่มีไม่กี่ตัวนะเนี่ยมีน้อยมา ก, ลลกใช่ผู้ ก, การเล่าเลยนะในปากจระเขานี <c oughs> ่พยาดเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่าของมาไม่แปลกใจเลยเพราะในหมู่หอยหอยจากสมุนหอยแมงพูนะมันจะมี ตัวเล็กๆไปเกาะหอยอีกครั้งหนึ่งอะนะในหมู่สัตว์น้ําเนี่ยมันมีสัตว์อาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยะนะอย่างเรือที่พายายนะเรือด่วนเรือเร็วเรืออะไรนะอย่าไปคิดว่าไปแต่เรือนะอะนะอบายเนี่ยมีเป็นล้าน <c oughs> ไม่ใช่ตัวสองตัวนะก็เคยเคยไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งเขาก็เอาเรือขึ้นบกไลเอาเรือขึ้นบกก็คว่ำเรือนี่ก็มาขอ ด, ดูนะเต็มไปหมดเลยสัตว์ทั้งนั้นเลยนะสัตว์เนี่ยเต็มไปหมดเลย มันในขอนไม้ขอนหนึ่งที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยนะเพราะมานี่มุดน้ําหาปลาประจำเนี่ยรู้เลยเนนยว่าไอ้ใต้น้ำนั่นอ่ะมันเท่าไหร่สมมุติว่าเราในโคลนนะเราจะว่ามันนึกว่ามันไม่มีอะไรนะมองเห็นเป็นโคลนโคลนเนี่ยพ่าเวลาเขาหมงมสัตว์น้ําเนี่ยบางส่วนเช่นหอยเป็นต้นเนี่ยเขางมเอาในโคลนอีกครั้งหนึงมุดโคลนอย่างที่แถวแถวภาคอีสานบางแห่งเนี่ยถ้าช่วงไหนเขาปล่อยปล่อย เลนไปหมดแล้วนะปล่อยปล่อยน้ําเนี่ยปล่อยน้ำมันก็จะเหลือแต่เลนใชเข้าไปหาสัตว์ในเลนอีกครั้งหนึ่นเของมาเห็นเขาไปงมงขึ้นขึ้นเงยเงเงยเก้มก้มอ่ะนะก็ถามว่าหาอะไรบอกหาไส้เดือนในน้ํำในน้ำเนี่ยมันมันมีน้ำนะมันก็มีโคลอนอยู่ข้างล่างอ่ะเขาโกยหาไส้เดือนใต้น้ําอีกครั้งหนึ่งไส้เดือนไปมุดอยู่ขนาดนั้นะ มันมูสัตว์เนี่ยใต้ดินเนี่ยมีมากจริงๆนะมากก็ไปดูตามบ่อปลาบ่ออะไรทั้งหลายเลยเนี่ยนะอู้เยอะจริงๆไม่รู้กี่สายพันธุ์อย่างที่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเดินไปเที่ยวที่หนึ่งนะเราก็เดินเห็นมันเป็นเหมือนแหนเลยดามพืช um, ยาวเป็นกิโลกิโลเลยอะไรรู้ไหมลูกคางคกนะลูกคางนั่นนะอ่าลูกอดคางคก ถ้ามันโตหมดนะท้งสายโอ้โหหลายล้านกิโลยยาวมากยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะมันไม่ใช่ตัวสองตัวเรียงกันนะมันเป็นเชือกอะ่ะเหมือนกับรถติดในกรุงเทพอะ่ะเหมือนๆอย่างนั้นแหละ ย, ยาวอย่างนั้นอนะ่ะเป็นกิโลกิโลเนี่ยตัวนิดเดียวเดินไล่ไปเยมากขนาดนั้นมูเดราชานเนี่เยอะจริงๆถามว่าทุกสายพันธนะุ์นะบรรทบบรุษเราได้หมดเลย ดูได้จากอะไรก็ดูจากวิตกเนี่ยเพราะสัมมาสังกัปปะที่ระดับมรรคไม่เกิดะนะรู้เลยว่าพร้อมที่จะไปเป็นบรนทบบุตรคติสองของทิฐิก็คือนรกกับเตระาชานันเนี่ยนะถ้าถ้ายังละไอตัวทิฏฐิไม่ได้เนี่ยนะน่ากลัวมากทีนี้ถามว่าเอา้าเนี่ยชาตินี้มานับถือพระพุทธศาสนาทําบุญไว้ล้เดี๋ยนะชาติหน้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอา้าวมีบุญเนี่ยคติสองของผู้มีบุญเนี่ยก็คือมนุษย์กับเทวดา ทำ บ, บุญไว้แล้วเป็นมนุษย์ถามว่าคุณเป็นมนุษย์ยุคหน้าคุณจะมามีทิฐิอะไรอ่อปไตยบิดกไม่ต้องคิดเรียนแล้วยุคหน้าหมดติดเนี่ยนะฉันกัผู้การกบอกชาติหน้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด็ก็บอกไม่สนับสนุนหนีๆเหอจะจะมายิ้วจะมายุ่งเลยแถมหมู่มนุษย์ทั้งหลายลําบากมากเพราะว่าอนาคตพุทธศาสนารอลองไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะ จเจริญขึ้นมองไม่ค่อยเห็นอย่างสมมตินักเรียนธรรมะนะออ ม, มาบอกเห็นแต่อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันนะเพื่ออายุน้อยไม่ค่อยมีมาเพิ่มหรอกนะเนี่ยอายุมากก็ตายลงไปทุกวันทุกวันวันอายุอายุน้อ ย, น, อยน้อยก็ไม่ค่อยมีเข้าใช่ไหมก็เป็นอันหมดสิ้นด้วยประการชนนี้แล้วมันถามว่าถ้าเกิดมาชาติหน้านะเราควรจะมีทิฏฐิอะไรพ่อเราจะส่งเข้าโรงเรียนอะไรดีไปสอนให้ละหมาดหรือว่าสอนให้ว่ายอะไรแล้วแต่ว่าไปเกิดเป็นประเทศไหน เพราะว่าเชื่อไหมคนประเทศที่นับถือพุทธเนี่ยตอนเนี้ยประชากรร่วม 6,000 ล้านนะที่นับถือพุทธโดยสัมโนโครัวเนี่ยประมาณ500ล้านคน น, นะในบรรดา 6,000 กว่าล้านนะ0กว่าล้าน500กว่าล้านเนี่ยก็มาจำแนกโซนทิฐิอีกเพราะพุทธก็มีหลายเผ่าพันธุ์มีหลายนิกายมากสารพัดนิกายนะนิกายเรียก่ลกลุ่มมนตรยานก็เอาเวทมนต์คาถายอย่างียว น, น, นดีไม่ดีก็น่น่ะกลุ่มย่างทารกเอามาทำอะไรนะอ่าที่เรียกว่าคือเขามีเยอะนะตำนานพวกนี้มีอยู่แล้วเป็นปกติด้วย้นนก็แล้วแต่ว่าจะมาเข้ารัฐที่อะไรเข้าไปเนี่ย น, นะก็ยากมันถ้าไม่กำจัดอกุศลสังกัปปะอกุศลวิตตกได้เนี่ยวะัตตะนี้ไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวง น, น, นถ้ามาเกิดถ้าไปเกิดเป็นเทวดา อยู่สักมีชีวิตอยู่เทวดาสัก5 0าพันปีอะนะตายจากเทวดามาเป็นมนุษย์ใหม่ยุคมิขสันยีพอดีลำบากอีกอัอกุศลสังกปะนี่ระวังให้ดีนะถ้าใครไม่ห้ามอกุศลสังกปะนี่มีโทษมีโทษจริงๆเลยแหละนะนะ ก็ไม่ต้องร้องเนี่ยผ่านอีกแค่สิบยี่สิบปีข้างหน้านะเขาแค่เห็นเห็นทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเนี่ยทุกๆหปีนี่มันเปลี่ยนขนาดนี้นะประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนขนาดนี้แล้วยุคต่อไปต่อไปเนี่ยมันจะเสื่อมขนาดไหนเขามาตั้งข้อสังเกตมานานแล้วบอกว่าใครที่ตั้งใจเนี่ยศึกษาปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนะที่เจริญเจริญอยู่เลยเนี่ยขามาไม่เคยเห็น เชื่อไหมเนี่ยสิบ ป, ปีที่ที่อยู่ในวงการเวดวงาศาสนาเนี่ยปฏิบัติตามหลักพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัดเลยนะเจริญขึ้นเจริญ ข, ขึ้นกุศลก็เจริญเป็นต้นเนี่ยพวกก็เยอะขึ้นอะไรเชื่อไหมไม่เคยเห็น น, นะไม่เคยเห็นจริงๆว่ามีมีบุคคลที่เขามีความสุขกับการค้นคว้าพระไตรปิฎกกุศลเขาก็เจริญยิ้มแยมแจม่มใสมีเพื่อนมีกลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวยา ว, ยาวๆเนี่ยนะ เที่ยวไปตั้งหลายภาคแล้วไม่เคยเห็นเลยเนีย่ยนะนบบยก็แบบที่คุณเห็นนะน ะ, นะ ค, ะคือน อ, อ, อ น, นี่มีเพิ่งมีอย่างอย่างกลุ่มเราเราก็เพิ่งมีไม่กี่วันนี่เองเนีย่ยนะแต่ที่ที่ที่ไปเห็นเเนี่ยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่เคยเห็นเลยพันแนวโน้มการศึกษาประไตรปิฎกนี่ก็หมดจริงๆเออเชื่อ จะพูดให้รู้ว่าตื่นเต้นเถอะรีบศึกษาไปจะได้หนีหนีแต่ที่แน่แนก็อย่าเพิ่งหนีไกลตัวให้มากหนีอกุศลวิตกนี่แหละได้เป็นหนีที่ไหนหรอกไปนึกกระเวงกลัวที่อื่นจนกลัวความคิดตัวเองอะนะไอตอนเนี้จะพูดให้กลัวไอตัวความคิดนี่แหละตัวร้ายกาศที่สุดแล้วตัวที่จะพาตกนรกเกิดเป็นเปรดอสุรกายเดรัจฉานเนี่ยก็ความคิดของตัวเองนั่นเลยเนี่ยนะคิดด้วยอำนาจราคาบ้างโธสะบ้าง กามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างบอพาไปล่องรอยใครไปอ่านหนังสือสมัยพุทธกาลไอ้หนังสืออะไรนะีวิปัสสนาสมัยพุทธกาลกับยุคปัจจุบันนี้บ้างผู้ ก, การก็บอกว่าเดี๋ยวไปล่องรอยในเตียงมรณะจะว่าไงจะพาไปเกิดที่ไหนนะเอัอ้อการแยกกุศลวิตกกับอกุศลวิตกให้ได้เนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้ที่เข้าใจอริยสัจดี ถ้าเพระอย่ า, ยาต้องไม่ลืมนะว่ามัสมีแปดใช่ไหมมัคข้อที่หนึ่งคืออะไรสมาธิถิถ้าเรารู้จักสัมมาทิฐิดีเราจะรู้จักมิจฉาทิฐิเนี่ยนะสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิเนี่ยแยกกันเมื่อแยกสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะตัวมิจฉาทิฐินี้เกิดร่วมกับกามวิตกกนะมิจฉาทิฐิเกิดร่วมกับกามวิตก ก็มาแยกนเพราะฉะนั้นตัวมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอกุศลสังกัปปะเป็นโคโจร น, นะตัวทิฏฐิมันจะไม่ร้ายกาศสักเท่าไหร่นะถ้าสังกัปปะไม่ไปให้ข้ามันถ้าสังกัปปะไม่ไปตรึกตามไปครุ่นคิดตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวมิจฉาสังกัปปะเนี่ยเป็นตัวที่ร้อนแรงมากที่จะทำให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยหนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นอย่างเขาบอกว่า ใครที่เป็นอุเฉททิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นหรืออกิริยะทิฏฐินัติกาทิฏฐิอหิตุกาทิฏฐิเนี่ยนะเกิดขึ้นถ้าอกุศลวิตกคิดเจ็ดชาวนะไม่ต้องมีใครแก้ละพระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้ถ้าให้มันได้คิดเจ็ดชาวนะหมายถึงว่าเจ็ดวิถีนะเจ็ดวิถีซ้ำๆ้ำอ่ะคิดซ้ำอยู่เจ็ดครั้งเนี่ยก็เจ็ดวิถีเจ็ดชาวนะเดียวกัน ไม่ใช่ชาวไม่ใช่ทีละดวงทีละดวงนะเจ<ม>็ดชาวนะเนี่ยนะจ็ดวิถีเนี่ยไม่ใช่เจ็ดขณะจิตหมายถึงว่าเจ็ดชาวนะเนี่ยถ้าคิดย้ำอยู่อย่างนั้นสักเจ็ดชาวนะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้ก็สีะระพตัรามาปฏิมรื่เออสีะระพตไหนนะ อ, อ๋อสีะระพตปรามาไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวมิจฉาทิฏฐิ ที่แน่นอนมั่นคงไอ้ตัวที่แน่นอนมั่นคงคื อ, อเหตุกะทิฐินัติกะทิฐิและอักกิรยิยะทิฐิเนี่ยนะปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมแต่ก็มีไม่ใช่น้อยนะอย่างเช่นบางกลุ่มที่ปฏิเสธโดยจริงจังยืนยันว่าถ้าไม่ล่วงทางกายกรรมวจีกรรมไม่เป็นกรรมถ้าไม่ล่วงทางกายวาจานะไม่เป็นกรรม อย่างเช่นอภพิชาถ้าไม่ล่วงมาทางกายวาจาก็ไม่ครบองค์กรรมบทพยาบาทถ้าไม่มาทางกายวาจาก็ไม่ครบองค์กรรมบดเป็นต้นนี่ยแล้วก็ยืนยันอย่างมั่นคงมาเป็นสิบสิปีแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนโดยประการทั้งปวงถึงมีหลักฐานก็ไม่ยอมเปลี่ยนซึ่งไอ้อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันถึงทุกวันเนี่ยนะก็มีอยู่แล้วก็หนักแน่นถึงทุกวันนี้ด้วยผู้ใดจะหยิบยื่นข้อมูลหลักฐานว่ามันมีโทษอย่างนั้นนะมันมีองค์เท่านั้นเท่านี้ ปฏิเสธตลอดการก็ไม่แน่ใจว่าดิ่งขนาดนั้นหรือเปล่าแบบที่เรียกว่าปฏิเสธว่ากรรมมันมีผลเพราะแม้กระทั่งอากุศลอย่างเช่นโลภะนะถ้าไม่ล่วงมาทางกายวาจาเนี่ยถือว่าไม่ไม่ไม่เป็นกรรมเป็นแต่กิเลสเฉยๆนะเป็นแต่อกุศลสังสมอุปนิสัยปฏิเสธว่าเป็นกรรมทีนี้ถามว่าเมื่อปฏิเสธว่าไม่เป็นกรรมเนี่ยนะเป็นแต่อกุศลแค่สังสมอุปนิสัยถามว่า จะมีอะไรนอกจากอากุศลวิตตกนะมีในอลาคัททูปมาสูตรเนี่ยพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นเลยที่ทกลัดถึงพระอริ tha เนี่ยนะว่าโมฆบุรุษจะมีอะไรนอกจากการมวิตกนอกจากกรารมสัญญานนะนในอลาคัททูปมาสูตรเนี่ยนะถ้าหากว่าเห็นว่ากรมไม่มีโทษจะมีอะไรนอกจากการมวิตกนอกจากกรารมสัญญา ก็ปล่อยให้จิตเนี่ยเป็นไปกับวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเพราะไม่เห็นว่าวัตถุกรรมเนี่ยมีโทษั้นตัวทิฏฐินี่สำคัญมากเนยนะแต่ทิฏฐิเนี่ยมันจะแร่มันจะมีกำลังมากกำลังน้อยก็าตามเนี่ยอยู่ที่ที่สังกัปปะอยู่ที่การตรึกเนี่ยนะอยู่ที่การตรึกจริงๆ นั้นถ้าใครอ่านเล่มที่ที่เรียบเรียงขึ้นมาเนี่ยนะ เ, เรียบเรียงขึ้นก็คือถ่ายเอกสารในพระสูตรมาเข้าเล่มชื่อเล่มว่าอะไรชื่อเล่มพุทธคยาเนี่ยนะพุทธคยาคุณเวลาวันไปประดับบาระะมีอ่านไปกี่เล่มแล้วอืมตรงนนพื้นของเกาแล้วไงมันท่านก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่เอามาด้วยอืม เนี่ยพระองค์ตรัสว่าเราจะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญพระองค์ตรัสเลยว่าพระองค์เนี่ยจะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญอันนี้ตรัสตั้งแต่พระองค์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านีตอนตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเอามาแต่ว่าเอามาเล่าให้พระพระอ น, นุ์เป็นต้นฟังพระองค์กล่าวกับพญามารคือมารเนี่ยเขาเข้ามาห้ามมาไม่ต้องทําความเพียนรอกอัน น, นั้นนะเนนะสูตรแรกเลยชื่อประทานสูต ร, ร, น, ตรนีนะ คือมานเขาเขามากล่าวว่าคือมานนี่ได้เข้ามาหาเราผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียรบากบันอย่างยิ่งเพ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ํำนิรันชราเพื่อบรรลุนิพานอันกเกษมจากโยคะกล่าววาจาเอนดูวาจาเอนดูแปลว่าการุณานะมานเขามาการุณาว่าท่านผู้สู้พร้อมมีผิวพรรณเศร้าหมองความตายของท่านเนี่ยอยู่ในที่ใกล้ เขาบอกสงสารมากเกือบตายแล้วว่างั้นเหตุแห่งความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวเปอร์เซนต์ตายมี 1,000% ันปอร์เซนต์อยู่เปอร์เซนต์เดียวว่างั้นนะชีวิตของท่านผู้ยังเป็นอยู่ประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านเป็นอยู่จักกระทำบุญได้เนี่ยนะก็อย่าไปเพียรอะไรมากมายเลยเดี๋ยวก็ตายทิ้งเปล่าๆรองอยู่ไปเถอะจะได้ทาบุญต่อไปว่างั้น ท่านประพฤติพรหมจารย์และบูชาไฟย่อมสั่งสมบุญได้มากนะนะกลับไปบูชาไฟเถอะจะได้บุญเยอะๆอ ย, ย่างั้นท่านจะทําประโยชน์อะไรด้วยความเพียรทางเพื่อความเพียรพึงดําเนินไปได้ยากกระทําได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากมารได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้ในสํานักของพระพุทธเจ้าตอนที่พระ อ, องค์บําเพ็ญทุกขารกิริยาเนี่ยน ะ, ะนะมารเขเข้ า, เ ข, า, เ, ขาเข้าไปเตือนนะมารเข้าเข้าไปแนะนําไปสอนพระโพธิสัตว์ ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์นี้กำมานผู้กล่าวอย่างนั้นว่าดูก่อนมานผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทท่านมาในที่นี้ด้วยความต้องการใดความต้องการอันนั้นด้วยบุญแม้มีประมาณน้อยไม่มีแก่เราพระพุทธเจ้าไม่ต้องการบุญคือบุญที่เรียกว่าให้ผลเป็นสุขอนะนะเช่นอุปชาเวทนิยกรรมอัปป ร, ราปริยะเวทนียกรรมเป็นต้นพระองค์ไม่ต้องการ พระพุทองค์ไม่ใช่นักสแสวงบุญเพื่อเพื่ออะไรเนะี่ยอธิจริงนักสแสวงบุญกับนักสแสวงชาติเนี่ยเหมือนกันนะีไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่สแสวงหาที่เกิดสแสวงหาสุขตินั่นแหละเรียกพวกสแสวงบุญก็คือพวกสแสวงหาสุขติพระองค์ไม่ได้ต้องการสแสวงหาพบไม่ได้ต้องการสแสวงหาสุขติใช่ไหมถ้าหากว่าแค่หาสุขตินะพระองค์ได้แล้วตัง้งแต่สมัยอยู่สํานักอลารเดดาบทอุตกะดาบทโนท น, นระดับพระวัคคะพรมน่นแหละมัน เพราะฉะนั้นความต้องการด้วยบุญแม้มีประมาณน้อยก็ไม่มีแก่เราส่วนผู้ใดยังมีความต้องการบุญมานควรจะกล่าวกับผู้นั้นนะไปคุยกับคนต้องการบุญมากอะไปคุยกับพวกอยากได้บุญกันแล้วกันทีนี้บางคนนะักศึกษาไม่ดีก็เลยบุญก็ไม่อยากได้อีกปล่อยให้จิตเป็นบาปต่อไปอันนั้นก็เลยเถอด เรามีศรัทธาตบะวิริยะและปัญญาท่านถามเราแม้ผู้มีตนส่งไปแล้วหมายถึงว่าตนส่งไปคือไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมีจิตมุ่งอาสังคตะธรรมอย่างเดียวเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเหตุไรลม พ, พึงพัดกระแสแม่น้ำทั้งหลายให้เหือดแห้งไปได้เลือดน้อยหนึ่งของเราผู้มีใจเด็ดเดียวไม่พึงเหือดแห้งนะนะโอ้ยยังไงเราก็ไม่ตายอย่างนั้นแสดงว่ามั่นใจมาก เลือดเหือดแห้งไปอยู่ดีและเสลดย่อมเหือดแห้งไปเมื่อเนื้อสิ้นไปอยู่จิตของเราย่อมเลื่อมใสโดยยิ่งแสดงว่าพระ อ, องค์บำเพ็ญทุกขระกิริยาจะพร้อมจะทุกข์กายปานใดนะใจไม่มีเศร้าหมองเลยอกุศลไม่มีแม้แต่นิดเดียวทําได้ยังไงนี้อัศจรรย์มากเลยนะพร้อมกระรองรูปท้องถึงหลังอะรูปหลังถึงท้องอะนะรูปตัวนี่ขนหลุดหมดอย่างเงี้ยนะแต่ว่า จิตไม่เป็นอกุศลเอาเิะเก่งขนาดไหนนะก็ถ้าคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่วิสัยที่จะทำได้สติปัญญาและสมาธิของเราย่อมตั้งมั่นโดยยิ่งเรานั้นถึงจะได้รับเวทนาอันแรงอันแรงกล้าอยู่อย่างนี้จิตย่อมไม่เพ่งเล็งกามทั้งหลายท่านจงดูความที่สัตว์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องการกามโดยประการทั้งปวงจิตไม่มุ่งไปหากามเลยกามทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่หนึ่งของท่าน ความไม่ยินดีในการเจริญกุศลอะนะความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดเป็นเสนาที่สองของท่านความหิวและความกระหายเป็นเสนาที่สามของท่านตันหาเป็นเสนาที่สี่ทีนะมิทะความง่วงขี้เกียจเนี่ยนะเป็นเสนาที่ห้าความขี้ขลาดเป็นเสนาที่หกความสงสัยเป็นเสนาที่เจ็ดของท่านความลบลู่หัวดื้อก็เป็นเสนาที่แปดของท่านลาบสันเสริญสการ ะ, ะนะก็ ถือว่าเป็นเสนาที่9ก้าของท่านยศที่ได้มาผิดซึ่งเป็นเหตุให้บุบคคลยกตนข่มผู้อื่นเป็นเสนาที่1ิบของท่านดูก่อนมานเสนาของท่านนี้มีปกติกำจัดซึ่งคนผู้มีธรรมดำนะใครที่มีอกุศลอยู่เนี่ยเสยนาทั้ง10อย่างนี้กำจัดหมดคนผู้ไม่กลา้าย่อมไม่ชนะซึ่งเสนาของท่านส่วนคนกลา้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมได้รับความสุข ก็ยืนยันว่าพระองค์เนี่ยชนะเสนาของพยามานได้ก็เพราะเหตุที่ได้ความสุขนั้นแม้เหล่านี้ก็พึงรักษาญาณมุงกระตายได้หน้าติเตียนชีวิตของเราเราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะประเสริฐอะไระนะถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วมันตายนะดีกว่ากลับไปหากามอีกนะคือคือเป็นคนเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นบุคคลที่ ถ้าลองได้ตั้งใจทำอะไรนะไม่มีการหวนกลับเป็นธรรมดาอันนั้นคือคือปกติของท่านคือไม่มีการถอยหลังกลับเป็นธรรมดาสมณพราหมณ์บางพวกอย่างลงแล้วในเสนาของท่านนี้ย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ที่มีวัดงามย่อมไปโดยหนทางที่ชนทั้งหลายไม่รู้เราเห็นมารพร้อมด้วยพาหนะยกออกแล้วโดยรอบจึงมุ่งหน้าไปเพื่อรบ มานอย่าได้เรายัางเราให้เคลื่อนจากที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมครอบงำเสนาของท่านไม่ได้เราจะทำลายเสยนาของท่านเสียด้วยปัญญาเหมือนบุคคลทําลายภาชนะดินทั้งดิบทั้งสุกด้วยก้อนหินฉะนั้น น, นะคุณาพา น, นึกออกง่ายเลยทุบหมอ้อทุบหม้อทิ้งอะนะทุบไม่ยากเลยเอาอะไรปลาไปก็แตกหมดอะนะไม่ยากเท่าไหร่เราจะกระทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญเดี๋ยวตรงนี้สูตรเนี่ย ก็กล่าวถึงตอนที่ก่อนจะบรรลุนะพระองค์บอกว่าพระองค์จะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญเรียกว่าตรึกให้คล่องเลยนะอย่าลืมนะคิดอะไรนะต้องไม่ลืมนะอริยสัจนะเพราะว่าตัวที่บรรลุจริงๆตัวที่พ้นทุกข์จริงๆก็คืออริยสัจนีนะ่ความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธทัามินีปฏิปทาปันคิดให้ชํานาญคือคิดอริยสัจจนจนชนานํานาญวันนี้ทุกขนะ์เหรอเนี มันชูดูรูปวันนี้เห็นทุกเลยใช่ไหมดูรูปเขาเองนั่นแหละก็ไปต้องไปดูที่สังเวชที่ไหนแล้วว่างั้นเนี่ยใช่เลยใช่เลยนะสังเวกับวัตถุชั้นดีนี่แหละนะก็ใครที่ไม่เคยส่องกระจกนานๆเนี่ยเดินเห็นกระจกจะเป็นยังไงตกใจเลยนะเออนี่เราหรือเนี่ยขันท่าขันท่าท่านพระองค์บอกว่าจะทำซ้ำมาสังกับปะให้ชํานาญให้เห็น อริยสัจนั่นแหละและดารงสติไว้มั่นเป็นอันอดำรงสติให้มั่นเป็นอันดีแล้วจักเที่ยวจากแคว้นนี้ไปยังแคว้นโน้นแนะนำสาวกเป็นอันมากะนะเมื่อเมื่อดำรงมั่นอยู่ในสัมมาสังกัปะก็แนะนำผู้อื่นให้ให้เจริญสัมมาสังกัปะตามสาวกผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีใจเด็ดเดี่ยวกระทำตามคำสั่งสอนของเราจักถึง ที่ซึ่งไม่มีความใคร่ที่ชนทั้งหลายไปถึงแล้วย่อมไม่เศร้าโศกทีนี้ตอนหลังมาอันนี้เนี่ยคือตอนที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วพระ อ, องค์ก็เที่ยวโปรดเวนยศัสตร์ใช่ไหมมารก็ได้กล่าวคาถาว่าเราติดตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นเจ็ปีไม่ได้ประสบช่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสิริติดตามอยู่เจ็ปีนะติดตามแบบคนรู้ความคิดอ่ะพระพุทธเจ้าคิดอะไรรู้หมดเนี่ย หาช่องเล่นงานไม่ได้นะของเราเนี่ยโอแตะตอนไหนก็เจอหมดนะเจอไม่ทางวินิทพยาามาก็ล้วงตอนไหนนะได้หมดเล ย, ม, เลยมาได้ไปตามลมรอบๆก้อนหินซึ่งมีสีคล้ายก้อนมันข้นด้วยคิดว่าเราจ ะ, ระเราจะประสบความอ่อนแอในพระโคดมนี้บ้างความสำเร็จประโยชน์พึงมีบ้าง มันย่อมไม่ได้ความพอใจในพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้กลายเป็นลมหลีกไปด้วยคิดว่าเราถึงพระโคโดมแล้วจะทรงจะทําให้ทรงเบื่อพระไทยหลีกไปเหมือนกาเนี่ยถึงสไลด์บรรพธ์แล้วก็หลีกไปฉะนั้นคือมีกาตัวหนึ่งมันบินไปเห็นภูเขาเห็นอยู่ก้อนหนึ่งเหมือนมันข้นเล ย, เยก็เลยเอาจะงอยปากไปจิกดูเอ๊ะมันน่าจะกินได้จิกตรงไหนก็มันข้นมันก็กินได้ไประภาษานกกานะ จิกเข้าไปนี่จะ ง, งอยปากก็บุบทุกทีเลยนะจิกทีก็บุบทีจิกทีก็บึบทีทีนี้พญามารก็เหมือนกันเนี่ยมาหาช่องทางที่จะเล่นงานพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเขาผูกพยาบาทตั้งแต่ตอนที่ออกบวชไงบอกว่าถ้าท่านเป็นอกุศลวิตกสามอย่างเราจะรู้กันนี่นะฉันจะเล่นงานแกพญามา น, นี่พยาบาทตั้งแต่ตอนนั้นนะนะบอกว่าตอนตอนวันที่ออกบวชอะมาร์เขามาบอกว่าอีกเจวันท่านจะได้เป็นจักรพรรดิบอกเราไม่ต้องการ แสดงว่าว่าเออท่านไปเถอะถ้าท่านอากุศลวิตกเกิดแล้วคะเราจะรู้นะนั้นท่านก็ติดตามมาก็ติดตามอยู่เจ็ดปีไม่ประสบพบเห็นอากุศลวิตตกเลยนะติดตามอยู่เจ็ดปีไม่มีอากุศลวิตกที่แบบกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอย่างเนี้ยไม่มีแต่จะมีอกุศลวิตกเช่นเเห็นวิวสวยอะไรเนี่ยอันนี้มีใส่ใจว่าวิวสวยแค่นั้นท่านเดือดร้อนนะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงในทเทวตาเวทาวิตร ก, กสูตรเนี่ยกล่าวไว้พินของมารผู้ถูกความโศกครอบงำแล้วได้ตกจากรักแร้เนี่ยนะโอ้เสียใจมากเลยนะหาความเลวหายังไงก็หาไม่พบมันนะลำดับมันมารเสียใจหายไปในที่นั้นแหละพอไอ้พินที่มันตกไปนะปัญจสิกขะคนทันเทพระบุตรเขาก็เลยเอาพินนะนะ่ไปเที่ยวดีดร้องสบายนะนักเก็บพินนะ่นะ ของเราในที่นี้ก็มีนักเล่นพินอยู่นะลืมวิชาพินหมดหรือยังลูกอ๋อเข็มแล้วนะพอแล้วพอแล้วเอลาละ <c oughs> ได้ชงแล้ว <c oughs> เขาเลยคิดไปจะได้คำถามเขาตอนตอนตอนที่หลังตรัสรู้ใหม่ๆนี่เขารู้สัปดาห์ที่สองเออที่สามที่สี่เนี่ยนะเมพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สวยวิมุตติสุขอยู่เนี่พยพญามาเนี่เครียดมากเลยนะโสโทสะเครียดก็เลยมาขีดเส้นหนึ่งแครกมาดูขีดหนึ่งเสถถะ บำเพ็ญทานบารมีมาเราไม่ได้ทํามาขีดนะสิทธะบำเพ็ญศีลบารมีมาเราไม่ได้รักษาขีดอีกเส้นหนึ่งสิทธะบำเพ็ญเนคขมมะบารมีมาเราไม่ได้บำเพ็ญอ่ะขีดจนถึง10บเส้นก่อนเนี่ยนะบอกว่าสิทธะบำเพ็ญบารมีสิบเราไม่ได้บำเพ็ญมาสิทธะเนี่ยบำเพ็ญบารมีสิบนะก็จะได้อาสาธารณญาณหก็ขีดหเส้นเราไม่มีอาสาธารณญาณห แกก็เลยเสียใจลูกสาวเข้มาบอกพ่อเสียใจเรื่องอะไรบอกเสียใจเรื่องนี้ลูกแล้ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะไปจัดการให้มางั้นก็บอกไม่มีประโยชน์หรอกลูกมางั้นแล้วก็นางตันหาราคาระดีก็เลยมามาที่เรียกว่ามาเรียกกล่อมเนี่ยนะก็มาบอกว่าสมณะข้าพเจ้าจากบําเรอท่านอะเสร็จแล้วก็ เนรมิตรูปร่างกายของตัวเองเนี่ยนะให้ดูโดยประการต่างๆตั้งกับปฐมวัยจนถึงมชิมวัยกขอบอกว่าธรรมดาผู้ชายนี่ก็บางคนก็ชอบผู้หญิงวัยอายุน้อยบ้างอายุปานกลางบ้างอายุสูงขึ้นบ้างก็เนรมิตอย่างนี้นะพระองค์ไม่ได้ดูหรอกพระองค์เข้าสมาบัติแต่เขาบอกว่าถ้าปุถุชนทั่วไปดูนะวันนั้นอนะถ้าเป็นคนทั่วๆไปดูเนี่ยจะหัวใจแตกตายนนะเพราะว่ามารยาของผู้หญิงที่ ปีรูปสาตรูปสำหรับชายเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วแลก็อารมนาทิปติของชายทุกชนิดเนี่ยมีอยู่เท่านั้นแหละก็แสดงให้ดูทั้งหมดแต่ว่าพระ อ, องค์ไม่ได้ดูนี่ี่